สัตว์ใหญ่เนี่ยนะก็ก็ดูเอาจากตรงนั้นเอาทีนี้ถ้าหาว่าให้กับคนทุกศีลเนี่ยนะให้กระชนทุกศีลพวกไหนพวกมวกขอทานข้างรถมะแล้วนะกลุ น, นั้นแหละพวกถามว่าเขามีศีลไหมถ้าเขามีศีลก็ไม่ทะเลาะกันองนั้นหะรืคนมีศีลทะเลาะอะไรกันอย่างนะั้นนะแย่งกันบางทีเจ้านี้จับได้แล้วไอ้เจ้าหนึ่งโฉบเอาไปแล้เนี่ยนะโฉกเอาไปแล้วเนะี่ยแล้วก็ว่าให้ปุถุชนคนไม่มีศีลก็ได้บุญมากกว่าให้สัตว์เดรัจฉานนั่นก็มีอนิสงส์เท่าไหร่ พันเท่าพันเท่าก็คือพันชาติานะนะถ้าให้กับปุถุชนผู้มีศีลให้คนดีเลยแหละให้คนดีมีศีลแต่ว่าไม่ได้มีสาระอะไรก็มียนิสง์มากกว่าให้ผลทูศีลก็มียนิสงแสนเท่าหรือแสนชาติถ้าให้ทานแก่บุคคลภายนอกผู้ปราศจากราค่าในการมคือให้ฤาษีที่ได้ฌานเนี่ยนะได้ฌานเนี่ยอันนี้มียนิสงแสนโกรเท่าเนี่ยนะแสนโกรเท่า ถ้าหากว่าให้ทานแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อทําโสดาปฏิผลให้แจ้งทักษิณาเนี่ยนับผลไม่ได้จะประมาณไม่ได้จะป่วยกล่าวไปใหญ่ในการให้ทานแก่พระโสดาบันเป็นต้นขนาดให้ทานแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อทําโสดาปฏิผลให้แจ้งเนี่ยนะผลแห่งทานอันนั้นก็นับประมาณไม่ได้ ถามว่าบุคคลผู้ทําโสดาปฏิผลให้แจ้งเริ่มดังอะไรเริ่มตั้งแต่อุบาสกพูดถึงสาระเนี่ยนะอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยนะพูดถึงสาระคมอย่างเข้าใจเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งเพราะอะไรเพราะเขาสมาทานอ่าพระโสดาบันเนี่ยมีมีมองค์คุณยังไงบ้างหนึ่ง สัทธามั่นคงในพระพุทธสองสัทธามั่นคงในพระธรรมสามสัทธามั่นคงในพระสงฆ์แล้วก็สี่มีอริย ก, กัรตัดสินทีนี้อุบาสกทั้งหลายก็มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าใช่ไหมมีสมัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้มามีสัทธาเลื่อมใสในพระธรรมมีสัทธาเลื่อมใสในพระสงฆ์แล้วขา้าอุบาสกที่ดีก็ต้องตั้งอยู่ในศีลเพราะฉะนั้นเขาจึงชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อทําโสดาปิตผลให้เจ้ง ใช่มอุบาสกอุบาสิกาก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อปฏิบัติเพื่อทำโสดาปิตผลให้แจ้งเพราะว่าเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วก็มีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวในพระตนไตรัยมีศรัทธาตั้งมั่นในการรักษาศีลเพราะฉะนั้นผู้ที่ถึงสาระคมนั้น ถ้าให้ทานกับบุคคลเหล่านั้นจึงมีผลมากมีอา น, นิสงมากไม่ใช่พูดแต่พูดทางสารนังข้าฉามีนะแต่หมายถึงคนที่รู้จักพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วนับถือพระราตนาไตรนั้นว่าเป็นตาําไรเสกนะทานให้แก่ บ, บุคคลเหล่านี้หาประมาณไม่ได้ถ้าหาว่าให้ทานแก่ออย่างว่านะผู้ที่ถึงสารณะแล้วรักษาศีลห้าก็มีอา น, นิสงน้อยกว่าศีลแปดเนี่ยนะศีลแปด คุณน้านได้อุปถาก ค, คนที่ปฏิบัติเพื่อทํำโสดาปฏิผลให้แจ้ ง, งสิ้นห้าสิน้นแปดแมงไทย จ, จะได้บุญเยอะเลยนะแบ่งๆกันบ้างเนี่เอาคนคนละห้าสิบก็พอแล้วคุณตาตาหมยายกให้ตั้งหกสิบบอกว่าพอแล 5, 5, ้วหาห้าสิบก็พอ <c ười> กํำไรบุญคนละขึ้นกำไรอาริยะครับกำไรกำไรเสม <c ười> าณัฐกําไรบุญกุศล <c ười> ก็แสดงว่าในคนที่มาในนาบุญของเรานเนี่ย ไม่ถ้าหากว่าเราให้ธรรทานแก่คนดีๆอย่างนี้เราก็ได้บุญเยอะเหมือนกันนะอันนี้กัน น, น, นี้ไม่ขอบแบ่งใครมั้ง <c oughs> นี่คนอื่นจะได้เท่านะห่วงหน้าดูเลยน ะ, ะยิ่งหวงยิ่งอะไรนะยิ่งหวงยิ่งบุญนะ้อยไว้เราต้องแจกมั้งจะได้บุญเยอะๆคาบุญอย่างเดียว มานะถ้าหากว่าให้ทานกับผู้ที่เป็นสัมมาเนนเี่ยนะสมมาเน น, ะมมเนที่ปฏิบัติชอบนะไม่ใช่ว่าสักแล้วเอาอะไรมานุ่งสักอย่างไม่ใช่นะอันนี้ก็มีผลก็สูงกว่าอุบาสกอุบาสิกาอกีกถ้าหากว่าให้กับพระภิกษุบวชใหม่เป็นต้นก็มีคุณมากกว่าให้กับสัมมาเนนหรือให้ภิกษุที่บวชมานานแต่สมบูรณ์ด้วยวัดปฏิบัติเนี่ยนะนะก็มีอ น, นิสงส์มากไปกว่านั้นโดยลําดับไปอันนี้เป็นลักษณะของปาฏิปุกริกานแต่ก็อยู่ในกลุม่มเรียกว่า ให้ผลหาประมาณไม่ได้อันนี้หมายถึงว่าผู้ที่ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งะนะคุณธรรมที่จะทำโสดาปฏิผลให้แจ้งก็คืออะไรครบรสบุรุษฟังธรรมของศาต์บุรุษโยนิสสมนศสิการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมันให้ทานกับบุคคลเหล่านี้ก็เป็นทานที่มีผลมากมีนิสง ม, มาก จะกล่าวไปยัยถึงเต็มพระโสดาบันไปแล้วว่าถ้าให้ทานกับผู้ที่เป็นพระโสดาบันไปแล้วเนี่ยจะมีผลสัตปานใดนะนะเพราะบางแห่งได้กล่าวไว้เลยว่าถ้าหากว่าให้ทานแก่พระอริยะใดที่ท่านฉันหรือบริเพศปัจจัยสี่แล้วเข้าสมาบัติเนี่ยนะเข้าพระสมาบัติเนี่ยทานเหล่านั้นหาประมาณนี้ได้นะหวังผลหาประมาณนี้ได้ จะกล่าวไปยาวถึงบูชาคนชั้นสูงต่อจนถึงบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ถ้าถามว่าทําบุญกับพระพุทธเจ้าอุทิศต่พระพุทธเจ้าโดยเอาผ้ามาถวายโดยหัวนมนึกนึกถึงคนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ตอนนี้กับทําตอนที่เพลิงมีพระชนอยู่ไหนจะได้บุญกับกั น, กนอะไรคือบุญอะอะไรอะไรคือบุญถ้าเจตนาเท่ากันศรัทธาเท่ากันก็ได้บุญเท่ากัน แต่ในยุคหลังๆมาศรัทธามันไม่ค่อยเท่าทีเนาะมันได้ได้บุญไม่ค่อยมากกับตรงนี้แหละคือศรัทธาไม่เท่าอันท้าวส ก, ก่าเนกล่าวไว้เลยในวิมานว่าถือว่าถ้าหากว่าบุคคลมีศรัทธาเท่ากันมีความเลื่อมใสเท่ากันบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตอนมีพระชนยอยู่หรือดับขันตรินิพพานไปแล้วผลบุญก็ไม่ได้ลดชยัยผลบุญก็มีผลเท่ากันนั่นแหละพ้นถ้าพระทานเกศ ป, ปาฏิบุครกุกทานเนี่ยท่านถือว่าถ้าพุทธเจ้านี่เป็นผู้เลิศที่สุด ถ้าเทียบเลยนะว่าให้ทานกับบุคคลทั้งโลกเนี้่ยกับให้พระพุทธเจ้าข้างเดียวเนี่ยให้พระพุทธเจ้าหนองค์ได้บุญมากกว่าหาประมาณไม่ได้ในมองในแง่าตาติบุคลิกทานแล้วไม่มีผู้ใดจะเลิศ ก, กว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นครวญเป็นอัคระพัคคินายะบุคคลครบรอโลกพร้อมทั้งเทวโลกเนี่ยนะเพราะว่าผ้าอรหันต์ทั้งหลายก็ยังต้องบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ เป็นผู้ที่พระ อ, อรหันต์ทั้งหลายบูชาจะกล่าวไปยัยถึงบุคคลอื่นเพราะอะไรเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐทรงคุณที่สูงสุดเนี่ยนะดันการทําบุญกับพระเป็นบุญประเภทพุทธบูชานั้นนะนะก็ถือว่าเป็นยอดของบุญแล้วที่เป็นตาติกคุครุษกฐานในยุคนี้ซึ่งรายทั้งหลายก็พอจะสามารถทําได้ใช่ไหมก็แต่ละแห่งที่ไปก็น้อมทําเป็นพุทธบูชาเนี่ย น, นะบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนสังฆทานมีเท่าไรสังฆทานมีเจ็ดอย่างนหนถวายแก่สงฆ์สองฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขสองสงฆ์สองฝ่งงายเมื่อพระพุทธเจ้าไปเวลามาพราหมณ์ให้เนี่ยนะมีผลน้อยกว่ากว่าใครกว่าให้ทานแก่พระโสดาบันเวลามาพรามณเนี่ยทาบุญเยอะนะถ้าใครเคยอ่านเวลามาสูตรเนี่ยอุย้ยทำบุญเยอทําเยอะจริงๆนนะริอนาคตเราเองจะทำไม่ได้เหมือนเวลามาพรามหรอก ทำบุญยังก็ห่วงน้ํานันแหละแต่ว่าทานของเวลามาพรามเนี่ยไม่ได้เศษเชี่ยวของทานที่ให้กับพระโสดาบันเลยเพราะว่าเวลามาพรามนี่ให้ทานกับใครให้กับคนไม่มีศีลนันะ เ, เลี้ยงแต่คนไม่มีเวลามาสส่วนผู้ที่ให้ทานกับพระโสดาบันเนี่ยนะอย่างเช่นอีเวลามาพรามให้เนี่ยนะมีผลน้อยกว่ากว่าใครกว่าให้ทานแก่พระโสดาบัน เวลามาพรามณเนี่ยทำบุญเยอะนะถ้าใครเคยอ่านเวลามาสูตรเนี่ยโอ้ยทำบุญเยอ ะ, ยอะจริงจร น, นะคนอื่นจะทําไม่ได้เหมือนเวลามาพรามหรอกทำบุญยังก็ห่วงน้ำเง้นแหละแต่ว่าทานของเวลามาพรามเนี่ยไม่ได้เสดเชี่ยวของทานที่ให้กับพระโสดาบันเลยเพราะเวลามาพราหมเนี่ให้ทานกับใครให้กับคนไม่มีศีล น, นี่นะเลี้ยงแต่คนไม่มีศีลส่วนผู้ที่ให้ทานกับพระโสดาบันเนี่ยนะ อย่างเช่นอะไรน่ยในในสวรรค์ชั้นดาวดึงเดยรเราไปที่สังกัสรับเป็นต้นจะเล่าถึงอังคุระเทพบุตรกับอินทกาะเทพบุตรใช่ไหมอังคุรเทพบุตรทําบุญอยู่เป็นหมื่นปีอินทกระเทพประบุใส่บาตรอยู่ครั้งเดียวเห็นไหมครั้งเดียวเนี่ยอังคุระเนี่ยขยบไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไ อ, ยอินทกระนั่งอยู่ที่เดิมเพราะอะไรเพราะว่านาบุญนาบุญมันต่างกันเพราะว่านาต่างกันผลที่ได้รับก็ต่างกันก็อย่างที่ว่านะเขอมานึกง่ายก็คืออุปมะเรื่องหวยนี่ง่ายดี ซื้อซื้อเลกตัวเดียวเนี่ยนะกับรางวัลที่หนึ่งอันไหนจะถ้าลงทุนเท่ากันอันไหนผลจะเท่ากันไหมไม่เ ท, ท่าเพราะอะไรเพราะเลขรางวัลมันต่างกันนาบุญก็เหมือนกันเน่นี ห, หรือไม่ก็ถ้าเราบํารุงทัะ ข้ามหากษัตริย์ผู้ร่ำรวยมั่งขั่งใจใจสปอร์ตมากๆเลยนะกลับไปรับใช้คนขอทานเนี่ยอะไรจะได้ผลมากกว่ากันก็รับใช้พระชามหากษัตริย์เนี่ยได้กันายาวมากกว่าได้ผลมากกว่าใช่ไหมไปรับไปเลยนะไปบำรุงขอทานเนี่ยมันจะได้สักเท่าไหร่นะเขาขอทานมาได้เขาก็แบ่งให้เราสักหน่อยนึงนะมันก็จะได้อะไรสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจึงห่างกันมากพระพุทธเจ้านั้นเป็นอัครรทัศนิรายะบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเนี่ยนะ ท่านให้ทานแก่พระโสดาบันก็มีผลมากกว่าทานของเวลามะพร้ามให้ทานแก่พระสกธาคามีเอพระโสดาบันหนึ่งร้อยท่านก็มีผลมากกว่าพระโสดาบันหนึ่งท่านให้ทานแก่พระโสอพระสกทาคามีหนึ่งท่านได้บุญมากกว่าให้ทานแก่พระโสดาบันร้อยท่านให้ทานแกพระสกทาคามีร้อยท่านก็มีผลมากกว่าให้ทานแก่พระสกทาคามีท่านเดียวให้ทานแก่พระนาคามีท่านเดียวก็มีผลมากกว่า พระสกอาคามีร้อยท่านให้ทานแก่พระนาคามีร้อยท่านก็มีผลมากกว่าพระอนาคามีท่านเดียวให้ทานแก่พระอรหันต์หนึ่งท่านก็มีผลมากกว่าพระนาคามีร้อยท่านให้ทานแก่พระพระพระอรหันต์ร้อยท่านก็มีผลมากกว่าองค์เดียวให้ทานแก่พระปเจคพระพุทธเจ้าองค์เดียวก็มีผลกว่าพระอรหันต์ทั่วไปร้อยท่านให้ทานแก่พระพุทธเจ้าองค์เดียว มีผลมากกว่าทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดอีกอนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยสมมติชมพูทวีปประเทศอินเดียเนี่ยแถวตั้งแถวพระโสดาบันพระสกาทาคามีพระนาคามีจนถึงพระหันครึ่งเลยะนะแล้วก็พระตะเจอค่อนๆแล้วพระไทยพระพุทธเจ้าองค์เดียวนั้นมีผลมากกว่าที่ถวายาวไปแล้วทั้งหมดเนี่ยนะก็คือเหมือนเหมือนอย่างว่านะมีที่นาอยูุ่ีสาเนี่ย หนึ่งหมื่นไร่กับมีที่ดินอยู่กรุงเทพแค่ไร่ไร่เนี่ยนะอันไหนจะมีราคากันค่ะมีเพราะฉะนั้นคนที่จะตกต่ำไร่เดียวบางแห่งในกรุงเทพอาจจะซื้อที่นะก็ต้องมีไม่ใช่น้อย ส, <laughs> สิเจ้าค่ะสีลมไร่เดียวก็พอเลยดนะ้ว <laughs> ยนี่คือคือเพราะอะไรเพราะมันต่างกาันเนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันนาบุญมันต่างกาัน พูดถึงว่าการให้ทานเนี่ยต่างกันแล้วก็อย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยผู้ที่เป็นโสดาบันสกทาคามีและหรือพระอนาคามีเนี่ยก็ไม่ได้มีเครื่องหมายที่คนทั่วไปจะจะรู้ได้ว่าคนนี้เป็นพระโสาบันคนนี้เป็นพระสกทาคามีและเป็นคนนี้เป็นพระอนาคามีเพราะฉะนั้นคนที่จะตกต่ําที่จะร่วงเกินบุคคลเหล่านี้ก็ต้องมีไม่ใช่น้อยสิเจ้าคะ่ะ ก็ก็ตกนรกไม่ใช่น้อยเลยนะพระเทวทัตเนี่ยตกนรกนะพาตระกูลตกนรกเนี่ยเป็นร้อยตระกูลนะไม่ต่ำกว่าห้าร้อยตระกูลนะพาศรัทธาพาอะไรนะพาลูกศิษย์ตกนรกเป็นเป็นเป็นพัน 1, อ่ะนี่นีพันข้าสมัยพุทธกาลเดียร์ถีก็ตกนรกไม่ใช่น้อยนะนี่อันนี้เพราะอะไรเราก็ก็เพราะว่าความไม่รู้เนี่ยนะอะไรจะโทษเท่ากับความไม่รู้ไม่มีเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสอนให้ประพฤติเมตตากายกรรมต่อหน้าและ รับหลังเป็นต้นเนี่ยนะนีอยู่สูตรหนึ่งที่ที่พระองค์ตรัสถึงว่า อ, อด่าด่าพวกอรนะอารกาศาสดาเป็นต้นเนี่ยนะที่ได้ชาญเหล่านั้นเนี่ยนะยังบาปไม่เท่าด่าพระโสดาบันคนเดียวเลยเนี่ยนะครับด่าพระโสดาบันในครั้งเดียวก็พอล้วอย่างอย่างยกตัวอย่างที่ว่านางอัมพตาลีเนี่ยนะที่เป็นโสดเพณีหลายหร้อยชาติเนี่อะไรก็ด่าพระอรหันต์ครั้งเดียว หญิงโสเภณีคนไหนมาถมน้ำลายแถวเนี้นะก็สมพรตากจริงๆก็เป็นโสเภณีอยู่น้อน้องหนาจนชาติสุดท้ายก็ยังได้เป็นโสเภณีต่ออีกเลยอันนี้คือโทษของวาจาเนี่ยนะเพราะถ้าเกี่ยวข้องในสมัยพุทธกาลนี้ก็ไอที่จะต้างหน้าสังวรก็หน้าสังวรยนะเนี่ยนะเพราะว่าเหมือนไฟอ่ะนะพาริยะทั้งหลายก็เป็นอะไรเป็นเหมือนไฟถ้าบูชาเคารพก็มีผลมากถ้าไปตำหนิ ด, ดูหม่นละ่ะ ก็มีโทษมากเนี่ย น, นีเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่สองสว่างถ้าเราโกรธดวงอาทิตย์ถลึงตาดูเลย้ยแลวก็เคารพอย่างเดียวนะอ่อนให้ท่านอย่างเดียวแล้วก็เดินใช้ใช้ใช้ประโยชน์จากดวงอาทิตย์ไปไม่มีอะไรที่เราต้องไปคิดประทุษร้ายกับท่านนะนะมันภาริยะในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็จึงน่ากลัวถ้าเทียบ ว, ว่าภาริยะถ้าท่านมียุคนี้เยอะๆนะโอ้โหกดตกนรกบานเลยนะตกนรกบานเลยแหละเนี่ยนะเพราะเพราะว่าสมัยใหม่เนี่ยสังวรทางวาจาน้อยมาก จรงไม่จริงไม่รู้ปฏิเสธไว้ก่อนนะเนี่ยตั้งเดี่อาไว้ก่อนเนี่ยเพราะไม่ได้สอบสวนอะไรให้ดีสับเท่าไหร่เพราะในยุคนี้ก็การสัมวอนการสำรวมความระวังเนี่ยจึงเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกเนี่ยนะไม่ผิดเลยนะการสังวอนสำรวมระวงังการไม่ล่วงละเมิดเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เป็นข้อปฏิบัติที่ถูกที่สุดเลยประพฤติให้เป็นกุศลกับทุกอารมณ์เอะเนี่ยนะให้ประพฤติในอารมณ์ทั้งหลายโดยอารมหะอาทวา สิ่งเหล่านี้จึงมีอุปการะมากแต่ถ้าไปประพฤติตรงงานข้ามแล้วที่ผลโทษมันก็มากเนี่ ย, ยทีนี้ถ้าในอย่างในเวลามาสูตรนี่ยก็กล่าวว่าถวายเอพระพุทธเจ้าเป็นปาติปุคกฤกทานอย่างเดียวก็มีผลน้อยกว่าสังฆทานที่ถวายแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเนี่ยนะทว่าถ้าถวายทานแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขก็มีผลน้อยกว่าถวาย วิหารทานอุจาะจงแกสงมาจากทิพทั้งสี่ทวายวิหารทานที่เจะจงแกสงที่มาชิตจากทิศทั้งสีก็มียนิสงน้อยกวา่าอะไรสารณคมสารณคมถึงสารณคมก็มีผลน้อยกว่าเมียนิสงน้อยกว่าสมาทานศีลด้วยสารณะด้วยศีลด้วยจึงมีผลมากเมียนิสงมากถ้ามีสารณะมีศีลก็เอได้บุญน้อยกว่า น้อยกว่าไงน้อยกว่าเจริญเมตตาน้อยกว่าเจริญเมตตาก็คือคนที่จะเอ่อถึงสารณะด้วยรักษาศีลด้วยและเจริญเมตตาเนี้ก็จะมีผลมากเมียนิสง์มากทีนี้ถ้าหากว่าอย่างที่กล่าวไปเหล่านั้นก็น้อยกว่าถ้าอะไรนะสารณะด้วยศีลด้วยมีเมตตาด้วยเจริญอนิจจานุปัสสนาด้วยก็จะมีผลมากขึ้นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้เราควรจะทําอะไรบอกว่าถ้าจะเอาให้ยอดบุญเลยนหนึ่งสารณะสองมีศีล เจริญเมตตาแล้วก็เจริญอา น, นิจจาสัญญาอันเนี้ยบุญมากเลยนะบุญนู้ยอดของบุญเลยแหละบุญกว่าอย่างอื่นทั้งหมดเลยนะทีนี้ถ้าการเจริญกุศลด้านอื่นก็ในฐานาตะตนบริวารบริขารของกุศลเหล่านี้เนี่ยนะทีนี้พื่อนก็ตจะเลยว่าในอนาคตการจะมีแต่เหล่าภิกษุโคตรภูโคดภิกษุนะนะโคดนั้นไม่ใช่ตัวจริงเพราะงั้นเถอะเหล่าก็เผาพันธุนะนะแต่ไม่ใช่องค์จริงก็ใครบ้างอะ ในยุคนั้นต่อไปก็จะมีผ้ากาสาวะพันคอเป็นคนทุศีลมีธรรมะอัลามกคนทั้งหลายจับถวายทานเฉพาะสง์ในหมู่ภิกษุทุศีลเหล่านั้นเนี่ยนะภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้ทุศีลใช่ไหมแต่ก็ถวายสังฆทานปตารด ถ, ถึงผู้มีศีลเหล่านั้นดูก่นอนอานนทักษินาที่ถึงแล้วไหนสงแม้ในเวลานั้นเราก็กล่าวว่ามีผลนับไม่ได้ ประมาณไม่ได้แต่ว่าเราไม่กล่าวปาฏิบุคคลิขทานว่ามีผลมากกว่าทักษิณาที่ถึงแล้วในสงโดยปริยายไรๆเลยนะไม่กล่าวว่าปาฏิบุคคลิขทานนี่มีสงมีอนิสงมากเท่ากับสังคทานส่วนความบริสุทธิ์แห่งทักษิณาเนี่ยมีอยู่4ประการด้วยกันบริสุทธิ์แห่งทักษิณาเนี่ยนะหนึ่งบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆา6บางอย่างบริสุทธิ์ฝ่าย ปฏิคาหไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกบางอย่างไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งทายกและปฏิคา6บางอย่างก็ไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายทายกและปฏิคาหเนี่ยนะก็คือถามว่ายังไงชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ปฏิคา6ก็คือทายกเป็นผู้มีศีลได้ทายธรรมมาโดยชอบทำแต่ให้ทานกับผู้ทุศีลมีทำอัลลามกเนี่นยนะนี้เรียกบริสุทธิ์ฝ่ายเดียว ต่อไปก็คือทักษิณาชื่อว่าบริษุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกบริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกก็คือทายกเป็นผู้ทูตศีลมีธรรมอัลลามกแต่ว่าปฏิฆาหกมีศีลปฏิฆาหกนี่มีศีลมีธรรมอันงามถ้าไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายล่ะก็ไม่มีศีลทั้งคู่ส่วนท่าที่สีก็คือบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายคือมีศีลมีธรรม ทั้งคู่ตรงก็แั่เป็นคาถาว่าผู้ใดได้ของมาโดยธรรมมีใจเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งให้ทานในคนทุศีลทักษิณาของบุคคล น, นั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้เหมือนใครเหมือนพระเวสสันดรพระเวสสันดร น, นั้นให้ทานแก่คนทุศีลให้ทานกับใครชูชกไงให้ทานกับชูชกนี่นก็ให้ทานกับทุศีนแต่ว่าพระเวสสันดรเป็นคนมีศีนทายรรมก็ได้มาโดยชอบธรรม ส่วนข้อสองผู้ใดทุศีลได้ของมาโดยไม่เป็นธรรมมีจิตไม่เลื่อมใสไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมให้ทานในคนมีศีนนี่ก็บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับก็คือชาวประมงเป็นต้นอนะนะทําบุญกับพระที่มีศีนส่วนที่สามก็คือทุศีลได้ทุศีลได้ของมาโดยไม่ชอบธรรมไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมแล้วไปให้คนชั่วด้วยกันอีกอ น, นะแต่ให้พระพิสุท์เป็นต้นที่ไม่มีศีนก็ผลก็ เออขออภัยไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายอย่างนี้ไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายส่วนส่วนผู้มีศีลทั้งคู่ะนะทั้งผู้ให้ก็มีศีลผู้รับก็มีศีลอย่างนี้ชื่อว่ามีผลไพยบูรณ์เนี่ยนะทานที่เรียกว่าให้ผู้มีศีลให้กับผู้มีศีล น, นี่ก็ทานอันนั้นมีผลไพยบูรณ์ ส่วนผู้ใดมีศีลได้ของมาเอส่วนผู้ใดปราศจากราคะแล้วได้ของมาโดยธรรมมีจิตใจเลื่อมใสเชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งให้ทานในผู้ปราศจากราคะทานของผู้นั้นนั่นแลเลิศ ก, กว่ามิสถานทั้งหลายคือพระอรหันต์ให้ทานกับพระอรหรันต์เนี่ยนะพระอรหันต์ให้ทานกับพระอรหันต์เช่นเช่นอะไรเช่นถ้าพระสารีบุตรให้ทานกับพระโมคขลานะพระโมคขลานะให้ทานกับพระสารีบุตรนี้เรียกว่าสุดยอดของความบริสุทธิ์จริงๆ แต่ถ้ามีผลถามว่าพระสารีบุตรให้ทานพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้ทานพระสารีบุตรใครได้บุญมากกว่ากันพระพุทธเจ้าได้บุญมากกว่าใช่ไหมน่าจะอยู่ที่ผู้รับแล้วใช่ไหมแต่จริงๆริงแล้วอยู่ที่ผู้ให้อยู่ที่ปัญญาของผู้ให้ที่พระพุทธเจ้าได้บุญมากกว่าในที่นี้จะหมายถึงอะไรครับเพราะว่าวิบากก็ไม่มีแล้วเพราะว่าพระพุทธเหมายเอาความบริสุทธิ์เป็นประมาณคือไมายเอาตัวตัวจิตที่เป็นบุญตัวนั้นว่ามีคุณมากเนี่ยนะ เอาเอาตัวสภาพจิตนะมีคุณมากเพราะในที่นี้ไม่ได้เ น, นเน้นที่ที่วิบากและกรรมาชลุบพราะอะเพราะว่าวิาวบากกรรมาชรุบถึงผลแห่งบุญแห่งทานให้ผลก็เหมือนกับเนีมาชรามารณะอย่างนี้แล้วด้วยผลบุญนะนําเกิดมายังป่วยขนาดนี้เลยยังทุกข์ขนาดนี้ะ่ะบาปให้ผลจะขนาดไหนเนา อ, อ, อเรียนทานอาจารย์นะครับที่พระพุทธเจ้าทรงปรลให้ให้ทานกับ ภิกษุษสงฆ์เนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่นานแต่ว่าภิกษุษสงฆ์จะอยู่นานเนี่ยจุดประสงค์ตรงนี้เพื่ออะไรครับก็บอกว่า ทักษายะบุคคลที่ชื่อว่าสง์เพราะฉะนั้นชนในภายหลังจากยำเกรงให้ทําความยำเกรงให้เกิดขึ้นในสงจากสําคัญปัจจัยสี่พึงถวายสง์สง์เมื่อไม่ลำบากปัจจัยสี่จากเรียนพระพุทธวจนะธรรมสมณธรรมเมื่อเป็นอย่างนั้นพระศาสนาจาักดํารงตั้งอยู่ได้ห้าพันปีถ้าไม่มีพุทธโธวาดปรับอย่างนี้มานะแทบไม่มีคนให้ทานกับพระพิสูจน์สงเลยแล้วศาสนาจะอยู่ได้อย่างไรครับ แต่ภายหลังเนี่ยพระภิกษุที่ย่ํายีศาสนาแล้วก็ไม่ได้รักษาศีลแล้วก็ไม่ได้มีความเป็นพระภิกษุอยู่ในตัวแล้วเนี่ยเป็นโคตรภูภิกษุเนี่ยการที่เราเการที่มีการกระทิสอนกับบุคคลเหล่านั้นโดยที่ประสงค์สังฆทานเนี่ยก็ไม่สําเร็จประโยชน์ในการนี่นรักษาศาสนาเลยนะครับก็เทที่ได้บุญมากเพราะว่าจิตเนี่ยน้อมมีสังฆคุณเป็นอารมณ์ ไม่ได้มีบุคคลเหล่านั้นเป็นอารมณ์ถ้ามีบุคคลเหล่านั้นเป็นอารมณ์เนี่ยพ่อองค์บอกว่าเราไม่กล่าวโดยปริยายะไราๆว่ามีผลมากเมียนิสงมากแต่ถ้าน้อมเป็นสังฆคุณระลึกถึงพระสงฆ์ทั้งหลายแล้วให้ทานเนี่ยนะอันนี้จึงมีผลมากเมียนิสงมากจะทําไมเราน้อมถึงพระสังฆคุณแล้วให้ทานกับอุบาสกอุบาสิกาที่มีศีลจะไม่มีผลมากกว่าหรอครับไม่รู้ เพราะว่าถ้าเกิดเรารู้ด้วยครับว่าพระพิสูจน์เหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เกื้อกูลต่อาศาสนาเลยเนี่ยออ่อไม่ได้มีจุดประสงค์ในการที่จะรักษ า, าศาสนาถ้าอย่างนี้จะทจําใจยังไงครับว่าเวลาที่จะร้องให้ทานก็เรจริญสังฆคุณแล้วให้ไปเจริญสังฆคุณแล้วก็จึงให้ทานเนายนะแต่ถ้าทําใจอย่างนั้นไม่ได้จริงๆก็บุญกิริยาวัตถุมีทั้งเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะบุญกิริยาวัตถุที่เราจะต้องทํามีทั้งเยอะแยะ ันนะแต่ที่สําคัญเนี่ยพ่อองค์สอนว่ายัางไงทานที่เลือกให้พระสุคตสรรเสริญอันนะัสูตรก็มีอย่างนี้ว่าทานที่เลือกให้พระพุทธเจ้าสรรเสริญเขาโค้ ง, งถือเอาพุทธพจน์นี้แต่ถ้าเราไปบอกอย่าไปให้เลยคนทุศีนอย่างนั้นอย่างเนี้โดยละน่ารำคือไม่มีพูดด้วยว่าอย่าไปให้คนนั้นอย่าไปให้คนนี้เนี่ยนะเราพุ่งเลี้ยงลิงก็ยังเลี้ย ง, ยงแต่ว่าถ้าสัตว์บรุษทั้งหลายเขาบอกว่าเขาเลือกให้ อันว่าทานที่เลือกให้พระพุทธเจ้าสรรเสริญแต่ถ้าเราห้ามการให้ก็ประสบโทษสามอย่างหนึ่งผู้ให้ก็เสื่อมจากบุญผู้รับก็เสว่มจากลาภผู้ที่ห้ามก็จะประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากเพราะฉะนั้นเราคิดว่าขอมาอยากจะแนะนําว่าทานที่เทํากุศลอยแล้วยังใจให้ส ม, มนท์ในภายหลังเมื่อพิจารณาโดยรอบแล้วยังโสมมนท์ให้เกิดในภายหลังกุศลประเภทนั้นน่าทํา คือทาแล้วเราจะไม่ลำบากใจในภายหลังเนี่ยนะทำกับใครก็ได้แม้กระทั่งเลี้ยงลิงก็ยังเลี้ยงเลยใช่ไหมลิงมีศีลข้อไหนอ่ะแล้ํทไมเลี้ยงอ่ะครับก็เพราะว่าเราคิดแล้วก็ให้ไปให้เพื่อความสบายใจให้เพื่อสงเคราะห์สงสารมันไปอะไรไปแต่ก็ถ้าไปคิดแบบอย่าให้เลยลิงให้ปลาดีกว่า ก็ลิงก็อดเสลิงก็เสื่อมราบนั้นในพระตตรปิฎกในคําสอนพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่มีห้ามเลยนะว่าอย่าไปให้โดยที่สุดแม้แต่เดรัทธีใช่ไหมพระองค์ก็ไม่ได้ห้ามให้เดรัทธีอะไรอย่างที่กล่าวกับอุบาลีอุบาศกว่าท่านเนี่ยตระกูลของท่านเป็นเหมือนบ่อ น, น้ําของพวกเดรัทธีทั้งหลายเนี่ยนะแล้วท่านจะทํายังไงกับบุคคลเหล่านั้นบอกข้าพระองค์จักรู้เองว่างั้นว่าควรจะทํำยังไงเนะี่นยงงนะเพราะว่าผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาก็เลือกว่าอะไรเป็นนาบุญอะไรไม่ใช่นาบุญก็พิจารณาเอาอ่ะนะ มันก็อย่างว่านะบุญทั้งหลายก็อยู่ในสภาพจิตของเราอะไรที่ยังจิตให้โสมนัน้นยังจิตให้เบิกบานก็ทำไปเนี่ยนะอย่างบางคนเนี่ยเลือกที่จะให้เดรัจฉานมากกว่าที่จะเลือกให้คนก็มีก็แสดงว่าอันนั้นเป็นที่ตั้งแห่ง